เป็นควนไข้และและบำเพ็ญเป็นนักเป็นทุกคนควรปฏิบัตินักของนักบวชสันมาวาจาสัมมาัมันโตสัมมาอาชีว บริกรรมมาบริกรรมให้จ um. hey, ิตใจทังตนอยู่กับคำบริกรรมให้ฝื่ปรุงหรือจิตจิตคล่องกับสัญญาลมภายนอกกับความสงบกับความลงรวมหรืความหยัดยืนของจิตนี่คือสัมมาวาจานำธรรมะมาบริกรรม เราเรียกจิตใจทั้งตนจิตใจสุนทรภูมคิดนึกต่างๆให้สงบคงไปทำการงานอยู่เดินโยงกลมนั่งภาวนาเราจะแก้จิตใจทั้งตนหลุ่มหลงจิตขอบนึกคิดไปทั้งผิด มีสติมีปัญญาดูแลรักษากายวายจใจทั้งตัวอยู่สม่ำเสมอทำการงานชอบคืองานละกิเลสสิ่งใดที่เป็นกิเลสตัณหาสิ่งโลายังมีอยู่ในกายในวาจาในใจหยุดละสิ่งนั้นส่วนนั้นให้ตกออกไปให้หมดออกไป มันยังอยู่เหมือนไรก่ต่างหน้าทำงานคือการชีวิตที่แจนาการทำลักภาษาสางอย่างชีวิตชอบคือหาอัธหาทํมมาเลี้ยงชีวิตของตัวชีวิตของตัวมันชั่วมันเสียฮ คิดหาสมาธิหาปัญญาหาวิชาวิมุตต์มาเรื่องจิตในจิตมันจเจริญเติบโตไปจากทุกจากโทษจากชั่วจากเสียจากที่เดือดร้นหาอย่างชีวิตชอบสัมาวายโมเพียรชอบความเพียรชอบของเพียรในยที่สี่สถานหรือเพียรในการ ละวางความชั่วความชั่วภายนอกชั่วชกิดจากกายเรีชั่วเกิดขึ้นจากวาจาเรียกว่าความชั่วภายนอกระวังเอาไว้ในความชั่วเหล่านั้นมันมาเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจของตัวชั่วมัินหลวไหล มาทวนทับจิตใจสงวรตะทานอย่าระวังต า, าเห็นรูปอย่าไปหลุมหลงหลุมนั้นน่ะกำหนัดหน่ายินดีน่ะ เ, เพื่อนหน่าเพื่อนน่ะก่อนหน่าจูบต่างๆงเป็นไปในทางการมาตัญหาหรลุมนั้นหน่าจำหนี้นินทา เงี่ยเกียดหนาเบื่อนะเขาเป็นไปทางไนทางศีลบะตรให้จิตเห็นว่ารูปถ้าแกว่ารูปที่เจนนตามความเป็นจริงของมันจะเป็นรูตาหนีบรูปเรือามขนาดไหนมันก็เป็นไปเถิดตามต่างขึ้นแตกวนและแตกสลายเหมือนกันหมดรูปเขา จะเป็นอย่งนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นมีอะไรี่แตกต่างกันการระวังความอนใจตาเห็นหูได้ยินมีเรีปัญญาที่เจนาสือละเสือถอนทำจิตใจของจิตขอใจิเป็นใจสื่อมเสื่อมเสียหมดออกตออก ใจมันจะเบาใจมันจะสบายใจมันจะไม่เหนื่อกไมบื่ใจมันจะสว่างสบายใจมันจะสงบเยือกเย็นถังละทานระวังความชั่วทางกายทางวิจาทางใจระวังความชั่วต่างๆมันลุ่วไหลเข้ามาอาหารประทานสำลักจิตใจ ภายในที่เคยลุ่นควงติดนึกจิดข้อความโลกความโกกความหลงต่างๆหมดไปสกไปออกหลุดออกจากใจแต่เราประหารประทานภาวานาประทานสะสมจิตใจให้มันมีสติให้มันมีตัญญา ประกอบความรู้ความช้าความสงบความเย็นเย็นของจิตของใจให้เรามีกําลังมากขึ้นภาวนาประทานสิ่งใดสิ่งแล้วเคยดูเคยเห็นเคยเย็นเคยสงบรักษาเอาไว้ละเอียดอนุลักษณะประทานนสะสมาลายโมคือความเพียนชอบกุศลเพียนทา เปียนนึกเปียคิดเพียนแกเพียนไข่กายวาจัใจทังตัวอยู่อย่างนี้คือคือว่าเดินมักงปฏิบัติตามมักงมัคคะก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่สันติคือความสงบสุข สัมมาสติกนหมันที่นี้พี่เน่ะสติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเร ท, ทนาจิตธรรมติดมีอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนพี่เจ้าน่ะหรู้ให้เห็นเด่นชัดอย่หงนั้นลงและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอะไรมันตั้งอยู่ด้วยอะไรอย่นั้น อะไรต่อไปจะทราบว่ารูปวานนามถึงมันมีอยู่ทั่วโลกมันอยู่ั้างนอกมนอยู่ในตัวมันนั้นรู้ทั่วขาใจถึงตามเป็นจริงของมันตั้งสติเอาไวน้นี้ที่จะงาอยู่นี้ จริงส <c oughs> ิ่งเหลนี้มันกมีมาแต่ไหนแต่ไรพระพุจ้าสอนแต่สอนทั้งมีอยู่ให้รู้ตามเต็มเชียงยังอยายามรักษาสติให้รู้ให้ส่ใจในตัวของตัวเหนรู้เรื่องของตัวถือ อยู่ในของโลกเนี่ยต้องบอกมันเหมือนกันหมดอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นของมันคิดนิพนธ์แกนะกำหนดทราบตามความเป็นจริงของมันตายคือก่อนหยาบๆยาดเราขัวใจเราเห็นตายของเรามันมีอะไรบ้างมันจะตอบคุณ จากขาดอะไรจงเป็นขาดใหญ่ๆแล้วขาดเหล่านั้นเมื่อมันหมดลมหายใจน่ะมันจะแตกไปอยู่ฐานเดิมของมันยินเทปอย่างไรจะทราบที่เจนะทามธรรมะผีพระพุทธเจ้าสอนทราบเรื่องของมันเรื่องน่าเอาไว้เนี่ยเกิดริบหริดเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ ในหลงไหลในเกิดทุกข์เราะเราทราบดวงหน้าอยู่แล้วความจริงมันเป็ น, น, นอย่างนั้นการชี้แจงเรื่องของกายชี้แจงเรื่องเวทนาสุดทุกทุกคนก็เคยไปสบพบมาอยากจะยึดมัน่นสำคัญไหมเอาริงเาอาจังไม่ได้เรื่องของเวทานา มันจะมีการเกิดขึ้นมีการแสวงและจกสลายเหมือนกันคนทุกคนเกิดมาเคยสุขเคยทุกเคยเฉยเฉยมาทั้งนั้นเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ผู้ที่หำเกิดมาก่อนจะเขียนจะเป็นเหมือนเราคนที่จะเกิดอีกต่อไปในครังหน้าแต่ถ้านั่งเลียวกันเดี๋ยวเราหลงไหลหลงฝันยึดถือมันตเกิดทุกนั่ะจะเห็น ทราตามจริงของมันนี่ทนานี้ปัดแก้วเลท่านนะไม่ใช่บุกคนชั่วจนเราเขาเป็นอนัตตาบางครับัญชาไหนด่าผู้ยิ้มผู้ชายไหนว่านักบวชเขาาว่าไอ้ที่เอานายคิดใจเห็นจริงแต่เาะดูนั้นตั้า ฟัง <intent>? ังให้ม <X> <that> ันแหลกให้ม so ันเหวินหมดความสงสัยในจิตในใจทังตัวอย่างนั้นไม่ก่อก่อควนทำจิตทำใจให้หลุมล้นยึดถืในรูปในนามต่างๆอย่างขจิตความคิดความเพืงก็เหมือนกันแต่มัน เป็นต้นเป็นตัวมีรูอย่างเหมือนแต่วัตุอันอื่นแล้วมันจะดนอันั้นมันจะไปดนอันนี้อยู่เรื่อยๆจนกันปลนดนับนั่นไหนได้แต่ลวแต่ละคืนเพาจิตมันคิดมันซุันองมันเขี่ยอย่างนั้นแ่ว่าจิตคาคิดามรู เราต้องทราเรื่องของมันจิตสังขารมันจะมีอย่างนั้นมันชุบมันฟูงมันอ่รมอยูตลอดเวลาศาสาัเ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตสังขารมันในน้เพรานั่นอนไป ความกัเนิความยินดีความหลงไหลในสิ่งเหล่านี้สะอาเราผอกว่าปฏิบัติเรารพิจารงาตรวนส้มันจะทรางว่าอันนี้เป็นเชียงอาการเป็นเชียงขันเป็นเชียงจิตเยตสิกไม่ใช่ ูกหลุดผูกันผูกจิ้มผสกูเป็นเร้ที่รู้เหนือจริงเหล่านี้คืออะไรนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อถึงแล้วใสจะทราบเดียกันทำคือผมสามอันเหนือกันุดล้ทำัุดแล้วทำอัยาศตธรรม หรือทำจนบางตางมั น, น, น, กกนะ น, น, น ม, นะอมนะีอยู่ใ น, นจิตไหเตัวของคนทุกคนใี่ใส่ชื่อพิจารณาชื่ตัณฑสติีื่้พิจารณาชู่เวทนาจิตท่นนี้ท่านาสมมาสติชื่เพจารณาถูกพิจารณาเป็นธรรม เหมือนที่เจนเเหมือนทีจนาผิดนาอยู่เรื่อยๆขดลความงใ่ขดลทวามฟองฟ้องใจไปยึดไปถือไปแบกไปหามานั้นละมัน่สมสมาีความต่างเหม่งของเจ้าทำรวมรวมขงจ้าท อยากเห็นของเจาเราจะสรางเราเห็นเราเต็มในตัวของเรานี่คือมรรคที่พระพุทธเจ้าแสวงไปดูหน่อๆตรนี้เน้นเยอน่อามารถคิดได้ไมภายในมันจะหยุดภายในอยในกายในใจของทุกคนควรที่จะทระพริบกระต่บควที่จะยิ้จะยิม ของวุติใจมันมีอยู่ทั้งนักบวชมีอยู่ทั้งฆรว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหญิงทั้งชายมันมีอยืางกันหมดคนสลาดแล้วก็จะมีความสุขความสบายควาง่วงก็หาความสุขความสบายไม่ได้หุ่นไหวตัดแต่งฝุ่นโต๊ติดข้อยุดถ เกิดทุกข์เกิดโที่เจนาเหมือนก็ลลาสาสางทางมักถิตเขาจ ะ, จะจาสอนสสเราเดินตามทางมัอยุบบ่อยๆจิตนันกะขอยใจออกจากที่เดลือกันหาออกจากความยึดถือคอยใจวางใป ใจกำจัดขับไล่ความดุรุ่งด้วยปจบางทีฝึยืมมุดสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเมื่ก็จะท้าจะหาใจมันจะเกิดขึ้นความเมื่อมันหมดไปความสว่างเมื่อก็เกิดขึ้นความยึดถือมันหมดไปความปล่อยวางเมันก็เกิดขึ้น คมีกิเลสหมดไปความหมดกิเลสมันก็เกิดขึ้นความสงสัยหมดไปความหายสงสัยมันก็เกิดขึ้นมันอยู่เดียกันละมันเห็นมันเต็นอยู่ที่เพอบเเดินนภายในมันจะน ใจของตัวเองธรรมะคือมืนมีอะไรใหม่อะไรเก่ามันยังคงเสกคงวาทุกการกำหนดคือการโเมื่อเรากำหนดเมื่อใดเราจะถูกการเมือนั้นอย่าไปใส่ใจว่ามันหมดการหมดสมัยมันเป็นของเก่าเราไม่ต้องการ ของใหม่ของดีคุ้นช้าของหยุบของดีอยู่ตลอดเวลาเหมือนอาหารเราเคยทานมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแก่ทารกแล้วก็ยังทานอยู่เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่อาหารจำเจนติดต่อทานเสื่อหลังกายจะเด็มีกําลังเหลยอะแรงทางารทางานต่อไปอันนี้เคยทานแล้วจะไม่ทานอีก มันเห็นได้อย่างนี้หลวงพ่อพระพุทจ้าสอนหลายสําณองเยวกันเีื่ได้หมันที่พรเจ้น่ะหมันศึกษาหมันทำละจิตใจเหมือนทางกับทานอาหารคนนั้นก็มีํางานเยอะแล้วที่จะประกอบการงานได้ที่พรทเจ้น่ในสัตาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนหลก็ทํานองเยวกัน นับว mm ันจิตใจจะเบาจะสบายนับวันจิตใจกะแจ่มจะใสสเวกเกิดมุคามุไจับวิเลตัญหาไจในใจทังตัวนำอธรรมะของพุทเจ้ามาชำระซักฟอกจิตใจ สงสักพวกโอซูบูโอสิงห์ไทยเนี่ยบอกว่าสักพวกให้ติดใจมันขาวมันสะอาดมันหมดเดสักพอกไม่ได้สักพกได้แล้วก็สะอาดหาดูหนาชมเดยกันทั้งนั้นอย่านันักพวกไม่ได้สงักพกทานอกนอกจากสาสตหนอกจากปัญญาหนอกจากธรรมะอมันก็จจ่าสอนทันั้น Uhm. นะครัอวละเหยละไปอทีวนละก็คือของตกตะกขคิดขอเป็นคิดเป็นใครของแบบนี้คุณค่าสาระตอนละมันออกไปอีวนมันเตมันเขึ้นอย่งันเห็นมันเตมในในใจทงตัว จิต ใ, ใจเข้มเช็นในทันี้่ลถ้าหาทันทำแล้วจิตใจก็สว่างสวยจิตใจก็หมดสดิจิตใจริยาท่านนางเอตังสุธาเนะะาะสาสมนงขันจิตใจต้องเตือ้ยิ่งแต่เสร็จ อย่างนั้นคุณภาพของวิชาปัญหาอุปการะเหนือเงินเฟอการสมมติแลารแบ่งทุกการคําสวงของพุทธเจ้าเราจะเห็นจะเจนในจิตใจของตัวเองคามแมตช์งพุทธเจ้าสอนคือการละเชื่อมเพิมดี ทำกิดเที่ยสอะเงี้ยแทั้งสัวคนรใช้ไม้แม้อหน้งหลึบที่เจน่ใครเราจะต้งหนบใครเราจะที่นีเจนาใครเราจะละจะบเพ็ญอย่กจะตัวของตัวเองอย่วน้อื่นจะทให้เกิดเมื่ออายุนหมักมหลายหลวงหลายเดอะกว่รวมหายตายไป ทำตัวอยัางควาดีเอาไว้หนึ่งอานอนใจตใจอย่าดเดือดจไข้พบาติใช่เหมไล่เลยให้มันหมดใจมั้งแต่จต่ตขวก็พกบาใหม่ยเรื่อยไปใจหนาถึงฐานของมันฐานหลักขางโคนของมันที่เหลือก็ไ่เยดี มันตายปฏิบัติถามันจะเห็นจะายใจหน่วยปฏิบัติหนวเห็นเป็นอยู่การนำเข้มธรระการปฏิบัติศาสมาการปฏิบัติกายาชาสังตัวกาทั้งตัว ไปปฏิบัตที่อื่นไปศึกษาที่อื่นี่เลยจะไม่หาโอกาสหาเวลาแล้วน่ะภาวนาอยู่มัเกิดได้เราไปสถานที่ใดมันเกิดได้การสละใจเถะเอาสติเอาปัญญาตรวตาที่เจน่ะสละมันอยู่เหนือใจแต่กรหเวลาวันนั้นวันนี้ ว่เป็นมน้าที่ของเราโดยเฉพาะในการสักษาสสงต้องแก้ไขทำอยู่ได้นำเนินปฏิบัติดูแลรักษากายใจใจทั้งตัวอยู่อย่างนั้นนับวันสงบนับวันใบนับวันสบายนับวันที่จะทำลายภพชาตะขาดไปจากโลก คนใดปรหนาดนอนใจใคายวันหน่าเรือนหน้าที่หน้าอยู่ด้วยไปขาดหน้าอยู่ด้วยไปสมนก่อ่านี้เลาเวาจะเ็ความเป็นทุกข์งใจอันขอทุกคนต้ังนำไปี่จารณาศึกษาแก้ไ ส, ส, สิ่งที่ชั่วสำทัญสิ่งที่ดี ทำจิตของตัวให้ผ่อนสายหดเดจากที่หนื่ทุกคนสนใจทาตามคำสจิตของเจ้าจาตรงนี้สอเอาไว้จะมีความสุขความเจริญการอธิตได้เสมเห็นอยากทางทุกคนไดยงเขยุตให้ขายุ